หวงปู่ขาวอิดปากปารลกับหลวปู่ชอบว่าเราพิจารณากายกันอยู่ทางนี้ที่โนนป่านี้ท่านอาจารย์มันคงนั่งภาวนามองดูตับไตใส้พุงของพวกเราทะลุบุบโปรหมดแล้วก่อนที่เราจะไปถึงท่านเครื่องไหนตับไตใส้พุงตัวเราคงไม่มีอะไรเหลือท่านคงขยี้ขี้ดูแลบลานเป็นจุนไปหมดแล้ว ก็ยานของท่านคิดเปลินเปลินคิดกันไปเพียงเล็กน้อยยังไม่ไหวถูกเตือนหรือปู่เล่าว่านี่แหละพ่อแม่ครูอาจารย์อาจจะเสริพแท้ที่จะมีความรู้เห็นเพียงไหนแต่ทาง ด, ดําเนินหากจะไม่ถูกต้องหรือแม้เพียงไม่เหมาะสมเพียงเล็กน้อยจะต้องได้รับคําตัดเตือนทันทีทีเดียวและไปที่ทราบกันว่า ท่านพาอาจารย์มั่นท่านเคียวจิตผู้ใหญ่ของท่านอย่างมากเพื่อหล่อหลอมให้เป็นพระปฏิมากรอัลลัมค่าหาที่ต่ำดีไม่ได้และแม้ท่านจะทราบแล้วว่าชิตบางท่านบางองค์หายสงสัยในธรรมแล้วเสร็จกิจอันควรกระทำแล้วไม่มีกิจที่ต้องทำอีกที่เหลืออยู่ในปัจจุบันที่มีชีวิตก็มีแต่กิริยา ก, กิจปฏิปทากิจ ที่จะต้องดำเนินตามปฏิปทาอาริยมรรออริยประเพณีเพื่อความเหมาะสมและดีงามานั้นก็ตามแต่ท่านพระอาจารย์มั่นก็มากไปด้วยความเมตตาเพียงสังเกตว่ามีทางดำเนินที่ควรแก้ไขปรับปรุงท่านก็ไม่ได้รังรอที่จะให้โอววาดสัต่อเพิ่มเติมท้งนี้เพื่อสิทธท่านเหล่านั้นสามารถเป็นธรรมทายา ของท่านอย่างเต็มภาคภูมิท่านตัดเตือนโดยเล็งเห็นว่าต่อไปภายหน้าท่านเหล่านั้นต่างจะต้องสืบทอดพศาสนามีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคะาทั้งพระเนรและประชาชนด้วยจริงอยู่การปฏิบัติผิดหรือถูกเป็นเรื่องเฉพาะองค์เพราะบางท่านบางองค์ก็เป็นประดุษผู้ไม่มีแผลในฝ่ามือถึงจะถื อ, อยาพิษจับยาผิษ แต่ยาพิษก็ไม่อาจซึมไปให้โทษแก่ฝ่ามือที่ไม่มีแผลได้เลยชันใดและบาปหรือสนิเย่อไม่ตกแก่ผู้พ้นจากบาปแล้วฉะ น, นั้นแต่การจะเป็นครูเป็นอาจารย์ของหมู่คนมากควรจะต้องระมัดระวังการปฏิบัติถึวงปู่เล่า ว, ว่าท่านพระอาจารย์มันจะให้โอวาสเสมอว่าการเป็นอาจารย์คนนั้นสำคัญมาก สิ่งควรต้องระมัดระวังตนอาจารย์ผิดเพียงคนเดียวอาจทําให้คนอื่นๆผิดตามไปด้วยเป็นจำนวนมากและในทํานองเดียวกันถ้าอาจารย์ทําถูกต้องเพียงคนเดียวก็จะสามารถพาดําเนินให้คนอื่นปฏิบัติถูกปฏิบัติชอบตามไปได้โดยไม่มีประมาทเช่นกันท่านสารเสิร์ฟสมเด็จพระจอมมุนีนาถปรดมาสัสดาสำ ม, มาสตพุทธเจ้าว่า ทรงเป็นบรมศาสดาทั้งทางธรรมและทางโลกทรงเป็นครูทุกปิยาบทไม่ว่าเวลาใดทรงดำเนินประทับยืนประทับนั่งทรงบรรทมด้วยท่าศีหาสายยาดคือนอนตปแทงขวาโดยตลอดแม้เวลาเสด็จปรินิพานท่านจึงเตือนสติสิทธิของท่านเสมอให้ถือสมเด็จพระบรมศาสดาเป็นแบบอย่าง แม้นจนท่านพระอาจารย์มั่นมรณภาพแล้วท่านก็มักจะไปเยืนแสดงสามโมทนียธรรมกถาให้สิทธิ์บางท่านบางองค์บ่อยๆ อ, องค์ใดที่ขิ่งคลาดทุดวงขวัญอยู่แล้วท่านก็จะมาสรรเสริญให้กำลังใจองค์ใดที่บางโอกาสสำรวมระวังไม่เพียงพอในเรื่องเล็กๆในน้อยเช่นการวางบริฐารให้เป็นระเบียบซึ่งปกติ ก็ถ่ายทอดความเป็นระเบียบมามากอยู่แล้วแต่ถ้าวันนั้นเกิดเหนื่อยเกิดเบื่อขึ้นมาเลยละลืมไปคืนนั้นจะปรากฏในนิมิตภาวนาท่านพระอาจารย์มั่นมาเตือนทาให้ท่านต้องมีสติกํากับจิตกันอยู่ตลอดทุกขณะจิตตอนที่19งานช่วยท่านพระอาจารย์มั่นในการกลับมากราบเยี่ยมท่านพระอาจารย์มั่น ณวัดป่าบ้านหนองผือครั้งแรกท่านคิดจะกลับไปบ้านเกิดที่จังหวัดเลยโดยเร็วเพราะท่านได้เหินหา่างจากแดนมาตภกูมิมาเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วอีกประการหนึ่งหลวงปู่ขาวมิสนิทของท่านก็กราบลาท่านพระอาจารย์มั่นกลับไปอุนบลราชธานีแล้วแต่ท่านมันคิดว่าตัวท่านนั้นได้เทววิเวกห่างจากครูบาอาจารย์ไป ไม่ได้เคยได้อยู่จำพรรษาด้วยท่านเลยครั้งนี้ท่านพระอาจารย์มั่นก็มีอายุมากแล้วแต่ได้มีพระเนนอยู่รับการอบรมจากท่านเป็นจานวนมากคงจะเป็นภาระอย่างมากจะท่านหลวงปู่จึงคิดจะอยู่รับใช้ตอบแทนพระคุณท่านระยะหนึ่งก่อนกลับไปเยี่ยมบ้านและก็ราวท่านพระอาจารย์มันจะร่วงรู้ถึงความมีน้ําใจของหลวงปู่ ท่านก็มอบหน้าที่ให้หลวงปู่หลายประการเช่นให้ช่วยท่านรับแขกบ้างให้ช่วยท่านดูแลพระบ้างฟังดูก็เป็นเรื่องธรรมดาให้ช่วยท่านรับแขกถ้ามีแขกก็ช่วยรับแขกโอภาปราสายแขกอย่าให้รบ ก, กวนท่านมากนักให้ช่วยท่านดูแลพระเองแน่นอนในฐานะที่ท่านเป็นสิทธิ์รุ่นพี่ใหญ่ก็ต้องคอยดูแล ตักเตือนสิษย์ลูน้องให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบอันดีงามมีความกระยันมันเพียรในการบำเพ็ญภาวนาจะถือเอาความเกียดคิ้รานเป็นจรณะถ้าเป็นภาระหน้าที่ธรรมดาธรรมดาเชน่นนี้ท่านพระอาจารย์มั่นคงจะไม่มอบหน้าที่ให้หลวงปู่แน่เพราะให้ช่วยท่านรับแขกหมายความว่าในเวลากลางดึกซึ่งเป็นเวลาที่ปกติมนุ ควรจะพักผ่อนกายนั้นปรากฏว่าท่านพระอาจารย์มัน่นมักจะมีแขกมาเยี่ยมมาขอฟังธรรมกันเสมอบาเคืนมากันมากมายหลายคณะแขกคณะนี้กลับไปแขกคณะอื่นก็มาต่อทำให้ท่านเหน็ดเหนื่อยอย่างยิ่งท่านจึงต้องขอให้หลวงปู่ช่วยท่านรับแขกด้วยถูกแล้วไม่ใช่แขกมนุษย์แต่เป็นแขกเทพได้ความจริง การมอบให้ท่านช่วยรับแขกเทพนี้ท่านก็ไม่ได้เปิดปากบอกเลยเพียงแต่บุญหลวงปู่อยู่ในสมาธิจะมีคณะเทพมากราบขอฟังธรรมเรียท่านว่าได้ไปกราบหลวงปู่มั่นแล้วแต่ท่านเหน็ดเหนื่อยด้วยเครื่อง น, นี้รับแขกอมากคณะแล้วขอให้มาฟังธรรมจากหลวงปู่แทนหลวงปู่เทศแสดงธรรมะไปเสร็จแล้วตอนเช้าก็ขออกาศ กราบเรียนเรื่องให้ท่านพระอาจารย์มันฟังพร้อมทั้งเรียนถามท่านว่าท่านพระอาจารย์มันได้สั่งให้เทวดามาขอฟังธรรมจากท่านใช่หรือไม่หรือว่าเทวดาคณะนั้นขณะนั้นสมอ้างชื่อท่านพระอาจารย์มันเอาเองท่านพระอาจารย์มันก็รับว่าท่านได้บอกเทวดาเช่นนั้นจริงๆเพราะท่านเหน็ดเหนื่อยในการรับแขกอย่างยิ่ง ด้มากันมากมายหลายคณะและข้อธรรมะที่จะแสดงก็ต้องกําหนดแตกต่างกันไปตามภูมิตามชั้นจริติสัยที่ควรแก่การรับการอบรมอันไม่เหมือนกันท่านจึงมีหน้าที่ช่วยจาย์ของท่านรับแขกด้วยประการชนิเพียงแต่ว่าเป็นแขกเพศซึ่งต้องสนทนาแสดงธรรมกันด้วยใจล้ลวนทั้งใจของผู้ฟังธรรม แต่ทางใจของผู้แสดงธรรมสัมผัสกันกลมกลืนเป็นอย่างดีและเช่นเดียวกับที่บรรดาเทวดาฟังธรรมจากท่านพระอาจารย์มั่นแล้วจะโมทนาสาธุ ก, การกระตือนเลื่อนลั่นเมื่อฟังธรรม จ, จากลุงโป้พวกเทพก็จะกล่าวสาธุ ก, การด้วยความเคารพเลื่อมใสอย่างสดึงดังสระตือนเลื่อนลั่นไปทั่วโลกเช่นเดียวกันว่ากันว่า เวลาฟังท่านพรอาจารย์มั่นสนทนากับหลวงปู่เรื่องกายทิพย์เรื่องแขกภายนอกเรื่องเทวดาพูดผีทั้งหลายที่มาขอพึ่งบารมีฟังธรรมะและถามปัญหาธรรมะผู้มีโอกาสได้ฟังด้วยจะรู้สึกเพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจไม่อยากไปจบลงเลยท่านผู้สอนค้องกันและเป็ดไปในแนวเดียวกันเรากับได้อยู่ด้วยกันเห็นด้วยกันฟังด้วยกันส่วน เรื่องการให้ช่วยดูแลพระนั้นก็หมายความว่าปกติท่านพระอาจารย์มั่นมีปรจิตวิชาอย่างว่องไวพระเนรองคใดคิดไม่ถูกไม่ควรก็จะต้องถูกท่านทักหรือเทศตักเตอเสมอดังที่เขียนถึงมาแล้วว่าแม้แต่เวลากลางคืนท่านจัดกำหนดจิตดูว่ามีใครเกิดคลานไม่บำเพ็ญความเพียรโดยคิดสร้างบ้านสร้างเรือนนอกรูนอกทาง มันเป็นการจิตสำนักเพศวิสัยบ้างหรือไม่เจนปรากฏเป็นภาพในนิมิตให้หลวงปู่ชอบท่านได้เห็นเป็นภาพท่านพระอาจารย์มั่นไปเคาะกุฏิจิตบ่อยๆท่านพระอาจารย์มั่นมักจะคุมจิตคอยดูราชิตออกไปบินพบาทตอนเช้าโดยอมิฉะนั้นก็หลาที่ท่านกําลังเทศอยู่ใครคิดอะไรผิดปกติจะต้องถูกท่านทักหรือดูเอาบ่อยๆอย่างไรก็ดีในระยะหลัง พระเนนมีจํานวนมากขึ้นโดยเฉพาะระหว่างที่ประเทศนั้นกระแสธรรมะของท่านจะหลั่งไหลต่อเนื่องกันอย่างเผ็ดร้อนหากมีอะไรมาทักขัดจังหวะทําให้สะดุดหยุดลงก็จะไม่ค่อยต่อเนื่องกันท่านจึงมอบให้หลวงปู่ช่วยดูแลพระจับขโมยให้ผมด้วยขโมยผู้ขโมยคิดอย่างไม่ถูกต้องตามคันลอง ของผู้ควรถือศีล227ข้อให้บริสุทธิเป็นที่เรื่องลือกันว่าวรจิตวิชาหรือการรู้วารจิตผู้อื่นหลวงปู่ก็ว่องไวไม่แพ้ท่านพระอาจารย์มั่นของท่านเหมือนกันพระเนรทั้งหลายจึงเกรงท่านมากและเคารพท่านรองลงมาจากท่านพระอาจารย์มั่นทีเดียวผู้เขียนเคยกราบเรียนถามท่านว่าที่หลวงปู่จับปลจับขโมย ที่ว่าขโมยคิดไม่ถูกต้องนี้ท่านคิดกันเรื่องอะไรหลวงปู่เล่ายิมยิ้ว่าส่วนมากก็คิดหอดผู้สาวในความว่าบางทีไปบินธบาตจะเห็นผู้สาวอาบน้ำหรือมาใส่บาตรทำตาหวานใสท่านุ่มบางองค์สติไม่ทันจิตก็อาจจะคิดเพื่อเตินไปได้บางทีก็เป็นการคิดประมาทธธ ร, รมประมาทครูบาอาจารย์ ซึ่งเป็นการไม่ถูกต้องและเป็นบาปจ่างยิ่งก็จําต้องทักทวงกันตอนที่ยี่สิบสถานที่ซึ่งท่านจำพรรษาระหว่างที่ทราบข่าวกันว่าหลืองปู่ได้เมตตายอมไม่มีการทำประวัติท่านโดยละเอียดได้มีครูบาอาจารย์หลายองค์มาขอให้ผู้เขียนพยายามค้นขวาลำดับพรรษาของท่านให้ได้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาอ่านอิง ของอนุชนรุ่นหลังสืบต่อมาผู้เขียนก็ได้พยายามตะกิดตะกายไปกราบเรียนถามครูบาอาจารย์ผู้เป็นสิษย์รุ่นใหญ่เคยติดตามเที่ยวรุกขมูลมากับท่านบ้างศิษย์รุ่นหลั ง, ลงที่ได้ติดตามบนนิบัติท่านบ้างได้ข้อความส่วนใดมาสอบ่านกันแน่นแต่แล้วจึงได้กราบเรียนถามองค์ท่านเองเป็นลำดับสุดท้ายทางนี้ เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนท่านมากเกินไปสถานที่ซึ่งท่านจำพรรษากล่าวรรษาแรกนั้นไม่มีใครจำได้เลยจดองค์เดียวเป็นความกรุณาที่หลวงปู่เมตตายอย่างยิ่งโอกาสาเวลาที่เราจะว่างและท่านจะว่างให้ตรงกันนั้นยากอยู่แล้วทั้นเมื่อมีเวลากราบท่านก็ยังยากต่อไปอีกเพราะท่านควรภาคบ้างหรือบางครั้งญาติโยมจิตก็ห้อมล้อม ท่านแน่นไม่ใช่การละอันควรจะแล้วก็ต้องรอต่อไปและเมื่อถึงการละที่ควรการเรียนถามได้เวลาท่านตอบจะต้องเงี่ยหูฟังกันอย่างหนักทางผู้เขียนเองซึ่งแสนจะไม่สันทัดในสำเนียงอีสานไปจวบ ก, กับการที่ท่านอาพาธลินไม่เป็นไปนตามบังคับของท่านฟังแล้วต้องเรียนถามและผู้ปฏิบัติทั้งญาติโยกชาวจังหวัดเลยที่ติดตามท่านมา บางคำบางชื่อก็สามารถจดบันทึกลงได้เร็วบางชื่อต้องการเปลียนถามท่านซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะจับคำไม่ถนัดบางทีรบกวนท่านมากไปก็ต้องยุติเลิกลากันไปก่อนคราวหน้าคอยหาโอกาสาเปลี่ยนถามท่านใหม่เป็นเวลาหลายเดือนจึงจะได้ชื่อที่ท่านรับว่าพวกเราฟังถูกแล้วตัวอย่างเช่น ชื่อวัดสรีมงคลเหนือในภาษาที่สองเป็นต้นสามคำแรกสีมงคลก็ใช้เวลานานอยู่แล้วแต่เฉพาะคำว่าเหนือนั้นยิ่งนานไปกว่ามากถึงเป็นแบรนเดือนพรท่านออกเสียงเบาและเราได้ยินเป็นอื่นไปกว่าจะถึงบางอ้อคิดได้ว่าภาษาผู้ตางอีสานไม่ค่อยออกสระคือเ อ, อือแต่เป็นสระเอียคำท้ายที่ได้ยินท่านว่า นาะหรือเนียหรือเหนียนั้นคงแปลเป็นสระเอือดังนั้นเมื่อเราฉลาดขึ้นร้องว่าเหนียคือเหนือใช่ไหมเจ้าค่ะว่าวสีมงคลเหนือถูกหม่เจ้าข้าหลวงปู่เห็นหลวงปู่ยิ้มรับด้วยความเมตตาและมีท่าล่งใจเราก็สบายใจได้ว่าพรามาถูกทางแล้วถูกต้องแล้วดังนั้นท่านผู้อ่านคงจะเห็นใจ ถ้าผู้เขียนไม่สามารถบนถันทึกวัดหรือทำสถานที่ซึ่งท่านจำพภรษาได้หมดนอกจากที่กล่าวมาแต่ข้างต้นแล้วว่าที่ท่านจำพรรษาพอจะจดบนันทึกไว้ได้เป็นแต่การต่อเนื่องจากที่กล่าวมาจนถึงพรรษาที่สิบห้าข้างต้นนั้นพรรษาที่สิบหพุทธศักราชสองพัสี่บสาพรรษาที่บ้านยางเชียงใหม่ พันษาที่สิบเจ็ดพุทธศักราชสองพันส้อแปดสิบสี่จับปรรษาที่วัดขั้วน้ำรินอำเภอแม่ริมเชียงใหม่กับพระคุณเจ้าหลวงปูวแว่แหวนสุชิโนพันษาที่สิบแปดพุทธศักราชสองพันสี่รอแปดสิบห้าจับปรรษาที่สำนักสงฆ์แม่หนองหานสันจายจังหวัดเชียงใหม่กับท่านพระอาจารย์เหรียญวราลาภโพเพียงสององค์ด้วยกัน อภิษาแล้วท่านก็เตรียมกลับไปหาที่ภาวนาอันสงนัดที่พม่าอีกโดยผ่านไปที่วิเวกที่ไม่ห้องสอนก่อนความจริงท่านชวนท่านพระอาจารย์เหรียนวรราโภให้ไปด้วยแต่ท่านพระอาจารย์เหลียนพิจารณาในส่วนองค์ท่านการพิจารณาขอพระธุดงค์กรรมฐานหมายถึงการเข้าที่ภาวนาพิจารณาแล้วเห็นว่าจะมีอุปสรรค ท่านจึงขอตัวไม่ไปด้วยตกลงหลวงปู่จึงเดินทางต่อไปเพียงลำพังท่านละว่าระหว่างที่อยู่ใมห้องสอนมีพวกโจรมาป้นจะเอาเงินและของดีสมัยนั้นพระธุดงค์บางองค์ก็มีปัจจัยติดตัวมากเหมือนกันแต่หลวงปู่เป็นพระธรรมยุทธ์ไม่เคยจับเงินท่านก็ปล่อยให้โจรค้นบาทตามใจมันค้นหาเงินไม่ได้จะหาของดี ประเภทตะกุฏจักเครื่องพระธุดงองค์นี้ก็ไม่มีสักอยาก่างจนมันคงจะนิทุเรศเต็มประดาที่พระธุดงองค์นี้ไม่มีท่าทีของพระธุดงตามโรคนิยมเขาเลยมันจึงบนภูมิพ ร, รมและสุดท้ายก็ปล่อยไปท่านเดินทางจากแม่ห้องสอนสี่วันจึงเข้าเขตพมา่าซึ่งเหตุการณ์ช่วงที่ท่านอยู่ในพมา่าตอนรอบหลังนี้ก็ได้กล่าวมาในตอนต้นแล้ว อันเป็นเวลาระหว่างพันษาที่สิบเก้าถึงยี่สิบเอ็ดพุทธศักราชสองพันสี่ร้แปดสิบห้าถึงสองพันสี่ร้อยแปดสิบแปดตอนกลับจากพม่าในปลายปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบแปดได้กลเที่ยวไปตามป่าเขาในเขตเชียงใหม่ต่อไปตามอัธยาศัยโดยได้มีโอกาสเ่วิเวศกับเพื่อสหัสธรรมมิตรของท่านเช่นหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวหรือ บรุ่อน้นองอย่างท่านพระาจารย์เหรียญปี2489เรืองปู่ขาวซึ่งเสร็จภารกิจทางธรรมแล้วเช่นกันก็ชวนท่านกลับอีสาพนพรรษาที่22พุทธศักราช2489จากพรรษาที่ป่าชา้าวังหิน ง, งนคือหินชะงกซึ่งปัจจุบันคือวัดป่าโคกมพนพรรษาที่23 24 ยี่สิบห้ายี่สิบหกพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยเก้าสิบถึงสองพันสี่รอยเก้าสิบสองและพรรษาปีสองพันสี่ร้ยเกสิบสามจรรษาที่วังม่วงใกล้บ้านโคกมนท่านจะปรรษาอยู่ที่นี่ติดต่อ ก, กันถึงสี่ปีและที่นี่ท่านพระอาจารย์บัวคำอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าตำมานุษย์สซึ่งมรณภาพไปแล้วได้มาจับพรรษา อด้วย 2, สองพรรษาควรจะทราบด้ว่าเมื่อกล่าวถึงการจับรรษาสี่ปีนี้ทีไ่ได้หมายความว่าหลวงปู่จะอยู่ที่วังม่วงตลอดเวลาสี่ปีออกพรรษาแล้วท่านก็จะออกวิเวกท่องเที่ยวไปหาที่บำเพ็ญภาวนาอาศัดเงียบต่อไปตามวิสัยของพระชุ ด, ดงค์กรรมฐานระหว่างสี่ปีนี้หลวงปู่ได้ทุ ด, ดงไปไ ป, ไปมา ระหว่างเลยและเชียงใหม่ดันเลยไปถึงเชียงรายพะเยาด้วยระหว่างมาที่วิเวกทางเชียงใหม่นี้ท่านได้พบสถานที่อันสงัดสงบบนยอดเขาสูงไหลแห่งพิจารณาเห็นควรจะสร้างเป็นวัดให้เจริญสำนธรรมที่สำคัญซึ่งท่านมักจะมาพักหือจัภพรรษาในภายหลังคือที่ผาแดนและป่ายางนาดเฉพาะที่ผาแดนซึ่งเรียกกันว่าวัดป่าบ้านยางนั้น ท่านให้พระอาจารย์สมบูรณ์ประสานจิตโตช่วยสร้างท่านเองจะภาษาหลายครั้งท่านพระอาจารย์ลีธรรมะวะโรก็เคยไปจำภาษาที่นั่นภรษาที่27พุทธศักราช2494จะภาษาที่วัดป่าบ้านยางผาแดดเชียงใหม่ภรษาที่18พุทธศักราช2495จะภาษาที่ท้ำแม่แจ่มเชียงใหม่เช่นกัน พันศาที่ยีิบเกพุทธศักราชสองพันสรเกสิหกลับมาจากพรรษาที่โคกมนพรรษาที่สามสิบพุทธศักราชสองพันสี่้ยเก้าสิบเจ็ดจพรรษาที่ทพระสบายหลับปางพรรษาที่สาสิบเอ็ดพุทธศักราชสองพันสรเก้าสิบแปดจะรรษาที่หวงม่วงวัดป่าท่าสวยจากนี้ไป หลวงปู่จะนึกนานหน่อยจนผู้เขียนคิดว่าไม่คุ้มกับการที่เราจะไปรบกวนท่านความ ท, ที่ท่านกรุณานึกกรุณาตอบไม่ได้ถึง 3, 000, 000, สาภเรรษาก็เป็นความเมตตาอย่างหาที่สุดไม่ได้แล้วท่านจะเินอายุถึงแปดสิบหาพรรษาแล้วเป็นปุถุชนคนธรรมดาก็ย่อมจะหลงเลือนยากจะจำสิ่งใดไ ด, ได้แต่ท่านก็จำเหตุการณ์ต่างๆที่ท่านประสบพบเห็นมาได้ดี ทั้งที่เป็นส่วนภายนอกและทั้งที่เป็นส่วนภายในถ้าเป็นเวลาอันควรและสถานที่อันควรกาบเรียนถามครั้งใดท่านจะตอบทันทีและทุกครั้งก็ตรงกันโดยเฉพาะเหตุการณ์สําคัญสําคัญเช่นการพบกับท่านพระอาจารย์มั่นหรือเพื่อสัตยธรรมิกของท่านที่สุดดวงกันมาอย่างโชคโชนหรือเหตุการณ์ที่ท่านประสบอันเป็นที่เรื่องลือเล่ากันมา จนป็นหนึ่งนิยายเหล่านี้ท่านจะตอบทันทีโดยไม่ลังเลว่าเกิดที่ใดจังหวัดใดบวชมากี่พรรษาตัวเราเองลองนึกย้อนไปให้ตอบว่าปีนั้นเดือนนั้นอยู่ที่ไหนก็ยากจะตอบเพราะเราย่อมจะจําได้เพียงเหตุการณ์ประทับใจเท่านั้นดังนั้นเราจึงควรพอใจในสิ่งที่ได้รับความกรุณามาแล้วจากท่าน ในพุทธศักราช 2,501 ผู้ใหญ่ฐานวงศาผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกในสมัยนั้นได้ทราบถึงในวัดปฏิบัติของท่านปรารถนาใจท่านได้อยู่เป็นขวัญตาขวัญใจของชาวแดนมัตุภูมิของท่านนานๆเพราะท่านมักจะเที่ยวทุดงในทางทินแดนอื่นมากกว่าถ้ามีวัดถาวรท่านคงจะเมตตาอยู่ประจาให้มากขึ้น ผู้ใหญ่ถันจึงอุทิศที่ดินถวายหลวงปู่ให้สร้างวัดได้มีชาวบ้านมาสมทบถวายอีกมากจนเป็นเนื้อที่กว่าหนึ่งร้อยไร่ซึ่งคือวัดป่าสามานุสร์ในขณะนี้และหลังจากนั้นศรัทธาญาติโยมทั้งที่จังหวัดเลยจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งชาวกรุงเทพมหานครก็ได้หลั่งไหลกันมาบาเพ็ญกุศลรพืสร้างวัดจนมีความเจริญขึ้น ดังในปัจจุบันนี้มีโบสถ์กลางน้ำเจดีย์ใหญ่และศาลาเมตตาฐานะสมโูรระยะหลังนี้หลวงปู่จิงจำพรษาอยู่ที่บ้านโคกมนหรือวัดป่าสมมนุษณ์สนี้เป็นส่วนใหญ่และในตอนระยะหลังเมื่อท่านยอมลงมาโปรดญาติโยกทางกรุงเทพซึ่งท่านละวาดท่ารับนิมนต์มากรุงเทพครั้งแรกอายุเจ็ดสิบ ไม่นับการไปมาระหว่างเดินทางไปมาเช่นอาจจะต้องเดินทางมาจากเชียงใหม่กลับอีสาโดยรถไฟก็ได้มาพักที่กรุงเทพกลับหมู่พวกก่อนท่านก็เล่นมาจำภรษาโปรดชาวกรุงเทพด้วยเท่าที่ทราบในภรษาที่35พุทธศักราช2502ท่านจำภรษาที่บ้านบงอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย เป็นยอดเขาสูงเทียมฟ้าเช่นเดียวกับที่ผาแดนท่านพระอาจารย์บุญยริศปันดีโตจิตเอกองหนึ่งของท่านลว่าเป็นที่เสือดุกมากบางวันเอาควายไปกินถึงห้าตัวที่จับภาษาเป็นสาาโล่งตลอดแทบจะไม่มีที่กันลมจึงหนาวบาดจิตบาดใจออกภาษาชาวโคกมนก็ไปตามท่านจริงต้องกลับไปโคกมน พรรษาที่สี่สิบและสี่สิบเอ็ดพุทธศักราชสองพันห้าอเจ็ดและสองห้า้อยท่านได้กลับไปจำพรรษาที่บ้านบงอีกพรรษาที่สี่สิบเจ็ดพุทธศักราชสองพันห้า้อสิบี่จับพรรษาที่บ้านสาตรงพรรษาที่ห้าสิบพุทธศักราชสองพันห้าร้อสิบเจ็ดและพรรษาที่ห้าสิบห้าพุทธศักราชสองพันห้าอยสิบสอง จับภรรษาที่สำนักสงฆ์ก่อหมอที่27สิบเจ็ดของพ้นอากาศเอกพยอมเย็นจุดใจพรรษาที่ห้าสิบเจ็ดพุทธศักราชสองพัห้ารอยสิบจับพรรษาที่วัดอโศการามสำหรับที่ป่าเช้าวังหินงนซึ่งอยู่ที่บ้านโคกมนเช่นเดียวกันไม่ไกลไปจากวัดป่าสำ ม, มานุศร น, นัดเป็นที่ซึ่งท่านกลับมาจากเชียงใหม่ครั้งนั้น ก็แวะมาบำเพ็ญธรรมนัธรรมเป็นแห่งแรกท่านเห็นว่าเป็นที่ควรวิเวศนุบำรุงให้เป็นวัดต่อไปปัจจุบันนี้จึงกลายมาเป็นวัดป่าสัทธาวนารามบ้านโคกมนตั้งแต่พรรษาที่58ถึงพรรษาที่66พุทธศักราช2525ถึงปีพุทธศักราช2533 ท่านจับรรษาที่วัด น, นี้โดยตลอดพรรษาที่ห7สิเจ็ดพุทธศักราช2534ห้าสาสิลวงปู่ได้รับนิมนต์จากญาติโยมทั้งชาวไทยลาวขาเขมรและยวนที่พำนักอยู่ในชารัฐอเมริกาให้ไปจำพรรษาตรวจภูเขาที่ห่างไกลสินแดนพระพุทธศาสนามากท่านก็ได้เมตตารับนิมนต์ไปจำพรรษาอยู่นวัด พุทธรัตนารามซึ่งเป็นวัดซึ่งศรัทธาญาติโยมได้ไปสร้างอยู่ที่เมืองเคลเลอร์รัฐเท็กซัสในก็อย่างที่กล่าวไว้แต่ต้นว่าการจับภาษาที่ใดทีไ่ได้หมายความว่าออกภาษาแล้วหลวงปู่จะอยู่ประจำานะวัดนานตลอดทั้งปีท่านก็ยังถือทุ ด, ดงควัดออกไปเที่ยวทุดงตลอดทางภาคเหนือเป็นที่ซึ่งกลับไปเยี่ยมเป็นประจา ละส่วนทางอีสานภาคกลางภาคใต้ท่านก็ไปเยี่ยมโปรดให้โดยทั่วกันเห็นที่น่าสังเกตว่าในระยะหลังนี้หลวงปู่ไม่ถือเรื่องอธิษฐานรรษาเส่งขาดท่านเคยพูดว่าบวชมาไม่ได้บวชเอาภาษาเอาบวชเ พ, พื่อปฎิบุต์อีกประการหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าท่านเป็นผู้ไม่มีแผลในฝ่ามือแล้วก็ได้ ตอนที่21วัดที่หลุงปูได้สร้างมาแล้วช่วงระยะเวลา75าปัญษาที่พระกุณ้าหลวงปู่ชอบผ่านนัสโมในบวชและเดินทุดงเพื่อบรเพสณ์ธรรมสำหรับประโยชน์แห่งตนเองและต่อมาก็เพื่อปลดประชาชนชาพุทธเป็นประโยชน์แก่ชนรวมมาโดยระดับทั้นในที่ซึ่งท่านบรรพเพียอวนา ไละเห็นว่าเป็นสถานที่อันเป็นสปายะควรแกการเจริญสมณ ก, กิจเป็นสุงรวมจิตใจชาวพุทธให้คิดมั่นอยู่ในความดีท่านจึงได้นําจัดตั้งเป็นวัดขึ้นเท่าที่พอจะบันทึกไว้เป็นหลักฐานมีดังนี้ในเขตจังหวัดเลยวัดป่าห้วยลานวัดป่าบ้านบงวัดป่าสาตมวัดป่าม่วงไหขวัดป่าโคกมนวัดป่าสัมมนุสร์ วัดป่าฐานนัสมโวบ้านจำทองในเขตจังหวัดเชียงใหม่วัดป่าผาแด่นวัดป่าโป่งเดือนวัดป่าปางยานาในเขตจังหวัดศรีสะเกษวัดป่าญยานวิเวในเขตจังหวัดมุกดาหารวัดป่าม่วงหักตำบลกุญงงอเมืองในประเทศลาววัดหลักกิโลที่ หนึสบหบนทางไปเวียงจันท์ลักษณะที่ตั้งของวัดมีข้อสังเกตว่าถ้าไม่ตั้งอยู่ในบริเวณเขตปา่าช้าก็ต่างตั้งอยู่ในป่าลึกบนเขาสูงทเทียมเม่ทันสินเช่นที่วัดป่าตำมนุสรและวัดป่าโคกมนซึ่งอยู่ในหมู่บ้านที่เกิดของท่านคือที่บ้านโคกมนตำบลพาน้อยอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยต่างเคยเป็นเขตป่าช้ามาก่อนเช่นเดียวกับที่วัดป่ายานวิเวศจังหวัดศรีสะเกดและวัดป่าม่วงหักจังหวัดบุกดาหารส่วนทุกวัดที่เหลือจากนั้นคือวัดป่าห้วยลาดวัดป่าบ้านบงวัดป่าบ้านสาตงวัดป่าบ้านม่วงไข่ที่จังหวัดเลยและวัดป่าผาแดงวัดป่าโป่งเดือนวัดป่าปางยางนา ที่จังหวัดเชียงใหม่ส้วนอยู่บนยอดเขาทุกคนที่เคยประกราบท่านจะต้องเดินทางขึ้นเขาสูงเยี่ยมเทียมฟ้าเห็นม่านเมฆลอยระเรียามาประทบพื้นดินทั้งนั้นบางแห่งท่านจะอยู่จำพรรษาโรดจัดโลกทางที่เห็นได้ด้วยตาอย่างมนุษย์จับและสิ่งลึกลับเช่นพวกกายทิพเทวดาพญานาคเป็นต้นหนึ่งหรือสองพรรษา อย่างวัดป่าจาตงจังหวัดเลยวัดป่าอาแด่นจังหวัดเชียงใหม่หรือประจาอยู่เป็นการถาวรนานกว่าที่อื่นอย่างที่วัดป่าสามนุสรและวัดป่าโคกมนที่บ้านโคกมนจังหวัดเลยอันเป็นบ้านเกิดของท่านเต่บางแห่งท่านก็สร้างวัดเพื่อประโยชน์สุขของชาวบ้านบริเวณนั้นโดยบางครั้งบางคราวหลวงปู่จะหลบเมืองออกมาวิเวก ซึ่งชาวบ้านก็จะได้มีโอกาสทําบุญกับเนื้อนาบุญอันประเสริฐของโลกบ้างและประโยชน์แก่หมู่พวกพระกรรมฐานรุ่นต่ อ, ตอไปจะได้มีที่สงัดวิเวกสำหรับเป็นที่พักภาวนาในเวลาออกฤกดงท่านว่านับวันป่าเปลี่ยวดงลึกก็จะหายากเข้าหมดไปสิ้นไปความเจริญอย่างถดนหนทางบ้านเมืองลูกไกรให้ป่ากลายเป็นเมืองมากขึ้น ต้นไม้สูงใหญ่ที่เคยยืนต้นเจด ฟ, ฟ้าแผ่ร่มเง า, าคลึมจนเป็นป่ารกชัดก็ถูกมนุษย์ซอกซอนเข้าไปแอบตัดทำลายจนภูเขาต่างๆกลายเป็นภูเขาทุ่งหญ้าไปก็มากถ้าไม่จัดร้างวัดไปบ้างป่าก็จะถูกทำลายหมดสิ้นไปวัดอยู่ที่ใดบริเวณใดป่าแถบนั้นบริเวณนั้นก็ยังคงสภาพป่าที่อุดมด้วย ไม้น้อยไม้ใหญ่สงบงดงามอยู่อย่างเดิมและแม้แต่สัตว์ป่าก็ยังคงอุดมสมบูรณ์เพราะพวกสัตว์เขารู้ว่าในบริเวณวัดเป็นที่ซึ่งพวกเขาจะอาศัยอยู่ได้ด้วยความสงบร่มเย็นและปลอดภัยประโยชน์สุดท้ายนี่เป็นประโยชน์สำหรับบ้านเมืองและน้อยคนจะรำลึกได้ถึงข้อความนี้ว่าความจริงวัดป่า น, นั้นป่าหา ที่เป็นผู้ช่วยในการสงวนป่าและสงวนพันจุ์สัตวป่าตอนที่ย2่สิบปฏิปทาของท่านในสายพระธุดงกรรมฐานสิทธิท่านพระอาจารย์มัน่นผู้ริทะตะมหาเทระเป็นที่จุกย่องกันว่าหลวงปู่เป็นสิทธิที่สำคัญที่สุดองค์หนึ่งที่เด็ดเดียวกล้าหาญทางความเพียรมีนิสัยทางมักน้อยสันโดดชอบสแสวงหาความสงัดวิเวก อยู่ตามป่าตามเขาตลอดมาข้อปฏิบัติและทามามภายในของท่านเป็นที่สัตรเสริญแม้จากปากองพระอาจารย์ของท่านเองสำหรับธุดงคกวัตสิบสามที่เป็นแบบธรรมเนียมของพระธุดงกรรมฐานมาแต่สมัยพุทธกาลนั้นหลองปู่ได้ถือปฏิบัติมาเป็นประจำแต่ภาษาแรกที่บวชธุดงสิบสามข้อนั้นมีอยู่ว่าถือภพบาตสกุลเป็นวัด เธอพาตายจีวรเป็นวัดเธอเที่ยวบินธบาติเป็นวัดเธอเที่ยวบินธบาติไปตามแถวเป็นวัดเธอฉันหนเดียวเป็นวัดเธอฉันเฉพาะในบาทเดียวเป็นวัดถือห้ามอาหารที่ส่งตามมาภายหลังเป็นวัดเธออยู่ป่าเป็นวัดเธออยู่รุกขมูลเริ่มหมายเป็นวัดเธออยู่ในที่แจ้งเป็นวัดเธออยู่ป่าชาเป็นวัดเธอการอยู่ในเสนาสนะที่จัดไว้ให้อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นเป็นวัด และถือเนสัติการนั่งไม่นอนตามแต่จะกระมิดเป็นคืนๆไปเป็นวันท่านถือเป็นประจำนอกจากบางข้ออาจจะปฏิบัติไม่ได้ทุกวันด้นสถานการณ์บังคับเช่นถ้าอยู่ลําพังองค์เดียวจะบินทบาทไปตามแถวไม่ได้หรือการปฏิบัติต้องเลือกอย่า ง, ดา ง, งใดอย่างหนึ่งเช่นวัดใจอยู่ลุกขมูลต้นไม้แล้วจะอยู่ในที่กลางแจ้งไม่ได้ อยู่ป่าช้าไม่ได้ยกเว้นโครไม้นั้นจะอยู่ในป่าช้าแต่ก็ไม่อาจถือข้ออยู่ในที่กลางแจ้งปลอมกันได้หรือข้อในสติก็ต้องปฏบิบัติบ้างเป็นบางคราวท่านถือเป็นประจำตลอดมาจนกระทั่งภายหลังท่านมีอายุเข้าสู่วัยชาราข้อถือภาพบางสกุลเป็นวันนั้นญาติโยมอ้อนวอนขอมีส่วนบุญ ท่านจึงอ น, นุโลมรับผ้าจีวรถวายบ้างและเมื่อท่านอาพาธเป็นอมพาธฉันไม่ได้มากแผทก็ได้ขอให้ท่านฉันเพงช่วยท่านจึงยินยอมการถือฉันคนเดียวจึงต้องเลิกไปตามคำของครูบาอาจารย์ที่เคยเที่ยวชุดดวงมากกับท่านแต่สมัยแรกๆ แ, แล้วว่าท่านเป็นผู้อยู่ง่ายมาง่ายไปง่ายปกติถ้าชอบอยู่คนเดียว ไปคนเดียวแต่ถ้าจะมีหมู่พวกก็จะต้องเลือกเฉพาะผู้มีนิสัยใจเพชรเด็ดเดี่ยวสู้อดสู้ทนสู้ลำบากเหมือนอย่างท่านอยู่ง่ายถ้าไม่เลือกเรื่องที่พักนอนถ้าเป็นในป่าในเขาก็ใช้ใบไม้แห้งหรือใบอไม้สดมารองผู้พัอาบลงไปก็ใช้เป็นที่นอนได้ถ้าใกล้หมู่บ้านมีฟางก็ใช้ฟางมีใบไม้ใบหญ้า ก็ใช้ใบไม้ใบหญ้าตัวอย่างดีก็ใส่ชาวบ้านช่วยจัดทำแคร่หรือตาเล็กๆปูด้วยไม้ไผ่ทั้งลาถ้ามีเวลาชาวบ้านก็จะพาไม้ไผ่ออกเป็นสองซีทุบแผ่เป็นแผ่นแบนเวลานอนค่อยราบเรียบไม่เป็นขึ้นร้อนเหมือนใช้ไม้ไผ่ทั้งลาแครนี้จะกว้างเพียงสองถึงสาสองอยาวประมาณหนึ่งวาสูงจากพื้นประมาณหนึ่งอง พอให้หลบผลพวกมดไรมแมลงตามพื้นดินได้บ้างและถ้าอยู่บนยอดเขาก็ได้อาศัยสูงไฟใต้แคร์ให้ความอบอุ่นได้ด้วยมาง่ายไปง่ายของลุงปู่นั้นเป็นที่เรื่องลือบางครั้งอยู่ในป่าลึกชาวบ้านเคารพศรัทธาอุตสาห์รมกระต๊อบให้เป็นอย่างดีมีฝาสีด้านมีนิต้ต่างมีชายครบซึ่งจัดว่าเป็นเลิศจากยิ่ง เพราะในป่าลึกบนเขาสูงที่จะหาที่มุงที่บังได้ครบเป็นกุฏิที่ผักนั้นต้องนับเป็นพิเศษจริงๆบางทีท่านอยู่เพียงสองถึงสามวันก็บอกเพื่อนไปเธอเพื่อนอุทธรว่าสบายเช่นนี้น่าจะอยู่ฉลองสถานของเขาอย่างน้อยสักเดือนหนึ่งแต่ท่านก็ไปไปอดุพยาหง์ที่ละสามุจจรินอันโอรานโดยไม่ห่วงหาอะไเลย ะดูฝนดูจะเป็นปัญหาสมเด็จพระบรมศาสดาจึงทรงกำหนดพรรษาให้พิสุธทธสง์อยู่จําพรรษาแต่ระหวังที่เที่ยวทุดงเพียงหมดหน้าแลงฝนก็เริ่มแล้วทางภาคอีสานฝนเริ่มตกแต่เดือนเมษายนก่อนเข้าปรรษานานทีเดียวยาวฝนตกถ้าหาที่พักตามธรรมหรือเงื่อนผาไม่ได้ก็ไม่เป็นอลภฝนพ้นได้ ผ้าสังคาติและเทียนไขไม้กีดไฟต้องเก็บไว้ในบาทระะวังปิดฝาให้ดีบางครั้งต้องสู้ทั้งลบทั้งฝนองค์เปียกหนาวสานเป็นลูกนกกลางกดกด ก, ก็สู้วมไม่ไหวตากฝนจนฝนหยุดสบงอังสะชีวอนที่เปียกโชกก็แห้งไปเองบางคืนฝนตกตลอดคืนจนถึงเช้าผ้าชีวอนจะหม อินบาศก็ยังไม่แห้งเป็นความลำบากที่เกิดขึ้นเป็นปกติวิสัยของพระธุดงค์กรรมฐานซึ่งท่านมักคุณจนจินชากรบมัดแล้วการเดินธุดงค์ของหลวงปู่นั้นเป็นการเดินธุดงค์กรรมฐานจริงๆเป็นการเดินด้วยเทา้าโดยตลอดเพราะสมัยนั้นรถปราหายากและทางที่ท่านมุ่งดำเนินนั้นก็มุ่งเข้าไปในป่าลึกซึ่งอย่าว่าแต่ทางรถยนต์ หรือทางเกวียนเลยแม้แต่ทางเดินเท้าก็แทบจะไม่มีหรือบางทีก็อาจจะมีทางสำหรับพรานหรือคนเดินป่าอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็หาร่องรอยอยากโดยเฉพาะเวลาหมดฝนหลังออกภาษาใหม่ต้นไม้กำลังพัดใบไม่เขียวขจีได้รับน้ำฝนมาจนเต็มอิ่มจนเติบโตงอกงามจนลบล่องลอยคนเดินหมด การเดินที่ดวงนี้ท่านชอบเดินทางเวลากลางคืนมากกว่ากลางวันความข้อนี้เป็นที่รู้กันในหมู่เพื่อนหมู่ศิษย์ทั้ทงนั้นเล่ากันว่าไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเขาหลวงห้วยบุกเข้าไปในป่าดงพงเทึบท่านก็จะชวนหมู่เพื่อนเดินทางกลางคืนเสมอหลายองค์จะร้องอุทธรดว่าทำไมไม่รอรุ่งเช้าก่อนเดินทางกลางคืนนั้น น่ากลัวฉดุดรากไม้ต่อไม้และบางทีก็มีภัยจากอสรพิษด้วยเราไปเผลอเหยียบมันเข้าพระมืดมองไม่เห็นอะไรนอกจากนั้นกลางคืนยังเป็นเวลาที่สัาจัดออกหากินทั้งเสือทั้งช้างทั้งกระถิงหมีเม่นอยู่ดีไม่ว่าดีจะต้องไปประทะพวกเจ้าป่าเจ้าโดงเขาทำไมขอรับหลวงปู่ก็หัวเราะว่า ผมชอบชวนเดินกลางคืนมันเย็นดีอากาศไม่ร้อนกลางวันยังพอได้เห็นอะไรบ้างกลางคืนไม่หลงทางหรอกครับก็ดูดาวได้ท่านชี้แจงแต่สำหรับเรื่องข้อแก้การสืบต่อไม้เหยียบสัตวรายเช่นงูแมงป่องนั้นท่านยิ้นเฉยเสียไม่ได้อธิบายอย่างไรเป็นที่เชื่อกันว่าหลวงปู่เห็นในเวลากลางคืนได้ เช่นเดียวกับที่เราทุกคนจะได้ใช้สายตาเนื้อเห็นอะไรในเวลากลางวันความจริงท่านเห็นมากกว่าที่เราผูุ้ชนคนธรรมดาจะเห็นในเวลากลางวันเช่นอีกเพราะท่านเห็นรวมทั้งสิ่งลึกลับกายทิพย์ที่ไม่ปรากฏแก่ตาเราท่านธรรมดาด้วยดังนั้นเวลากลางคืนหรือลกลางวันจึงไม่มีความหมายแตกต่างกันสําหรับท่านและเวลากลางคืน อากาศเย็ยนสบายกว่าไม่ร้อนอบอ้าวดังกลางวันจึงไม่น่าแปลกใจที่ท่านจะชอบการเดินทางกลางคืนมากกว่าทันลวาว่าระหว่างเดินทางก็กำหนดจิตภาวนาไปตลอดเวลาการเดินทางทั้งคืนก็เท่ากับเดินจงกรมภาวนาไปทั้งคืนบนบ่ามีบริขารของพัทุดงครบครันเช่นบาทกรดมุงกร กรติกน้ำที่ก่องน้ำผ้าสังคาติดรวมทั้งของจำเป็นในการเดินป่าเช่นมีดคงไฟเทียนไขไม่ขิดไฟเป็นตน้นของเหล่านี้หากเราถือแบกเองก็บนหนักแทบแยกอยู่แล้วนึกไม่ออกว่าถ้าจะต้องแบกไปบนบาปตลอดเวลาเช่นทางเป็นกี่ร้อยกี่พันเส้นบุก ป, ป่าแหวกพงหญ้าพงน้า ขึ้นเขาลงห้วยจะทำอย่างไรแม้แต่จะพาเพียงลำพังตัวเราเองไปใหถึงจุดมุ่งหมายปลายทางอย่างตลอดลอดฟังก็แทบจะเป็นลมลมสลบลงแล้วนี่ก็ยังต้องแบกอัตตะบริการและของอื่นไปด้วยหรือแต่นั่นคือพวกเราปรทุชนคนธรรมดาหลวงปู่ท่านไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเดินทางไปได้วยความสงบสบายบ่าข้างหนึ่งแบกกร บางครั้งหนึ่งจะภายบาทซึ่งมาจุบบริคารต่างๆภายในอย่างครบครันจิตที่ภาวนาเป็นสมาธิก็มีแต่ความสงบรำงรับเยือกเย็นโปร่งสบายแทบจะไม่รู้สึกถึงความหนักหนาของบริคารต่างๆเหล่านั้นเลยที่สงบกายสงบจิตสบายกายสบายจิตวิเวกกายวิเวกจิตเบากายเบา คิดและกายต่างสงบอยู่ในตัวของตัวเองต่างมีหน้าที่ของตนบางเวลาเมื่อคิดกนธรรมะปรากฏขึ้นจแจ้งสงบสว่างเท้าแทบได้รู้สึกว่าจะสัมผัสดินเลยไม่ว่าจะเป็นดินที่แข็งแปลกระแหงไม่กรวดไม่ทรายหินคมแหลมไม่ได้รู้สึกถึงความแข็งแง่คมที่เคยปาดเท้าลึกเลย ความรู้สึกแทบจะเหมือนกับเดินไปบนพรมกรรมยี่อ่อนนุ่มนวลตัวเบาวิวราวกระเพาะลอยไปในปุ๋ยแม่